อนุโมทนาและแสดงความเชื่นชมยินดีต่อท่านพระเทรทะเทราผู้เข้ารับรางวัดในานามของวัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเรื่องสิ่งแวดล้อมทุกรูปขอจะเิญพรท่าน รัชดาสุรยักกุลนายุทยาอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่านรองอธิบดีและท่านผู้บริหารจากกรมส่งเสริมสุคุณภาพสิ่งแวดล้อมและญาติโยมสาธุชนทุกท่าน ในวันนี้ขอโนุมโมธนาในเบื้องต้นต่อกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ได้จัดกิจกรรมการถวายกำลังใจมอบกำลังใจแนวัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้เพราะไม่ใช่จาก เป็นประโยชน์เฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยผ่านวัดเท่านั้นอย่างเป็นการสร้างความร่วมมือความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเพราะผู้ที่ มาร่วมในพิธีรับรางวัล น, นี้ไม่ใช่มีแต่พระสงฆ์เท่านั้นแต่ยังมีผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนญาติายาโยมทั้งหลายได้มามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการพัฒนาวัด จัดการสิ่งแวดล้อมความสำเร็จในการได้รับรางวัลไม่ใช่เฉพาะของวัดแต่เป็นของชุมชนของผู้มีส่วนร่วมทั้งปวงและก็เป็นการสร้างความตระหนักว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญและการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่ใช่จะทำโดยลำพัง ที่ว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะอาในมงคล38ประการที่พระเจ้าตรัสไว้ในมงคลละสุได้ตรัสถึงปฏิรู ป, ปรเทศสวะโสการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปฏิรูปคือมอกสมจะเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาในทางโลกและในทางธรรม การพัฒนาจัดการสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเป็นเหตุสำคัญในการพัฒนามนุษย์โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในสมัยพระพุทธเจ้าประชากรพลโลกยังไม่มากเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมก็อยู่ในสภาพโดยธรรมชาติอยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์ เอื้อต่อการบําเพ็ญสมณธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นศีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาสภาพแวดล้อมสงบสงัดเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมพระองค์ประสูตรใต้ต้นสาระ ในสวนลุมพินีปรินิพพานระหว่างต้นสาระทั้งคู่ที่กุสินาราทรงอยู่กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตลอดพระชนชีพวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่มีผู้สร้างถวาย ชื่อว่าเวรุวันเวรุแปลว่าไม้ไผ่วันก็คือปา่าหรือสวนป่าไผ่วัดที่พระเจ้าประทับอยู่นานที่สุดชื่อว่าวัดพระเชตวันแปลว่าสวนที่เจ้าชายชื่อเชษฐ์ถวายวัดว า, าราม ในสมัยพทธเจ้าไม่ใช่เป็นแต่เพียงอาวาสซึ่งแปลว่าที่อยู่แต่ยังเป็นอารามแปลว่าที่น่ารื่นรมที่น่าพอใจเพราะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวธรรมชาติที่งดงาม เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมในป่าที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นต้นไม้เนี่ยเอื้อต่อการเห็นไตรลักษณนนิจังทุกขังอนัตตาท่านจึงนิยมไปเข้าป่าบำเพ็ญสมณธรรมเพราะว่าจะเห็นความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ง่ายกว่าแค่อากาศร้อนเย็นตามธรรมชาติก็ทำให้เห็นอันนี้จังเรานั่งอยู่ในหอประชุมนี้อุณหภูมิถูกควบคุมไม่เหมือนอยู่ในธรรมชาติแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แม้แต่ใบไม้สีเขียวสีเหลืองและก็ร่วงหลดก็ทำให้พิจารณาถึงอนจิจจรนี่ท่านจึงให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมแต่เราไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเท่านั้น ชีวิตของชาวบ้านก็ต้องอยู่ในสิ่งวแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการประกอบอาชีพในการสัญจรคมนาคมและอื่นอื่นยิ่งป ร, ระชากรทวีโลกเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ตอนนี้หกพันล้านจะถึงเจ็ดพันล้านเราก็ไปแย่งที่ ของต้นไม้ต้นไร่ป่าเขาไปสร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติตามตามอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นยิ่งพัฒนาอุตสาหกรรมพัฒนาเครื่องจักรเครื่องยนต์ขนไก่เราก็ปล่อยอากาศที่เป็นมลพิษ เข้าสู่ภูมิอากาศของโลกเพิ่มก๊าซคาร์บอนสร้างภาวะเรือนกระจกทำให้โลกร้อนหิมะน้ำแข็งที่ทั่วโลกเหนือมันก็ละลายเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นน้ำทะเลก็สูงขึ้น รุเข้ามาที่ชายฝั่งในประเทศที่อยู่ที่ต่ำประเทศที่อยู่ใกล้บ้านเราออกไปไม่ไกลนักเป็นเกาะชื่อเกาะมันดิฟทั้งประเทศสูงกว่าน้าทะเลเพราะาอยู่็นเกาะประมาณเมตรเศษเศษประธานาธิบดีมันดิฟบอกว่า ถ้าไม่มีการจัดการเรื่องภาวะโลกร้อนน้ำทะเลจะสูงขึ้นเพราะหิมะที่ทั่วโลกละลายภายในศตวรรษหน้าก็คือร้อยปีจากนี้ไปน้ำจะท่วมทั้งประเทศไม่มีที่อยู่เลยเขาก็ต้องร้องขอทั่วโลก ให้ช่วยควบคุมสภาพภูมิอากาศซึ่งท่านอธิบดีพูดถึงการประชุมสุดยอดในเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งเขาประชุมกันเป็นประจบเรียกว่าขอ COP ประเทศไทยก็ไปประชุมร่วมกันแล้วกลับมาก็มาสร้างความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม พระสงฆ์ล้วก็ควรจะได้รับรู้ในเรื่องนี้ด้วยว่าเราจะมีส่วนในการทำความพยายามหรือความเพียร4ีประการในเรื่องสิ่งแวดล้อมเ้ะเรียกประทานหนึ่งสังวรประทานเพียรระวังไม่ให้ทำลายสิ่งแวดล้อมสองปัหานประทาน อะไรที่เราไปทำลายสิ่งแวดล้อมต้องเลิกต้องรักซึ่งในการส่งเสริมกิจกรรมของวัดเหล่านี้เราก็จะเห็นเรื่องของการกำจัดขยะการกำจัดมลพิษเป็นประหานาประธานภาวนาประธานส่งเสริมให้พื้นที่สีเขียวเป็นต้น เกิดขึ้นในวัดเรื่องสมุนไพรและอนุรักษณาประธานส่งเสริมให้ทำความดีต่อเนื่องสิ่งที่วัดที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เนี่ยก็จะต้องทำต่อเนื่องไม่ใช่รับรางวัลแล้วหยุด โดยเฉพาะประเภทที่ดีเด่นดีเยี่ยมไม่อยูเนี่ยก็ต้องทำต่อไปประเภทที่ดีก็ต้องให้มันเป็นดีมากไล่ขึ้นมาโดยลำดับและวัดที่ร่วมโครงการก็ต้องมีมากขึ้นเพราะว่าจะเป็นประโยชน์ไม่ใช่ต่อวัดวาอารามเท่านั้นแก่ประชาชนแก่คนทั้งโลกซึ่งมีปัญหาสิ่งแวดล้อมคล้ายคลกัน เมื่อเราทำความเพียรสี่ประการต่อเนื่องมันก็จะเกิดกระแสการรับรู้ทำให้วัดที่ไม่เข้าร่วมโครงการก็อยากเข้าร่วมโครงการที่สำคัญก็คือการมีส่วนร่วมของประชาชนของญาติโยมที่อุปถัมภ์วัดสนับสนุนกิจการ เมื่อเห็นว่าเป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์ส่งเสริมจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนก็ทำตามบ้านก็ช่วยกันอยากจะฝากนโยบายในการทำงานร่วมกันเนี่ซึ่งที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัขขลา ย, ลยได้ยึด สอนนิสิตครูบาจารย์ในการพัฒนาห้าคำด้วยกันคำคำที่หนึ่งคือตกปลานอกบ้านสองประสานสิทิศสามผูกมิตรทั่วโลกสี่บริหารปัญญาห้าสาริกาป้อนเยื่ เป็นปริศนาธรรมนะตกปลานอกบ้านเหมือนกรณีที่บ้านเราปลูกอยู่ริมน้ำแล้วตกปลาใต้ถุดบ้านน้ำมันท่วมถึงก็ได้ปลาตัวเล็กๆปลาซิลปลาซ้อยแต่ถ้าเรานั่งเรือไปไกล ไปตกในที่ลึกๆอาจจะได้ปลาใหญ่การตกปลานอกบ้านจึงหมายถึงออกไปนอกวัดไปหาแนวร่วมสนับสนุนเหมือนไปหาปลานอกบ้านเพราะว่าถ้าเราเลี้ยอะไรอยู่แต่ในวัดเถอะท่านเทศทีพระปลาทียี่สิบบาท เมื่อไรเราจะพัฒ น, นาวัดจะปลูกต้นไม้จะอะไรได้มันต้องกระจายขา่าวมันต้องออกไปเทศไปพูดไปสอนให้คนรับรู้และมาช่วยงานของเราตามหลักบวรเนี่ยการมีส่วนร่วมวัดบ้านวัดโรงเรียนและราชการวัดเป็นแกนกลาง รวมบ้านรวมภาครักทั้งที่อยู่ใกล้อยู่ไกลรละดมมาช่วยเรามหาจุลาที่ท่านเห็นในพื้นที่ใหม่ๆมีไม่กี่ไร่เราเราระดมมาช่วยจากทั้งในประเทศต่างประเทศตอนนี้มีสามร้อยสามสิบไร่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ทั้งบริจาคจากเอกชนทั้งรากภาคราชการรัฐบาลตั้งอบประมาณอะไรต่างๆนี่คือตกปลานอกบ้านส่งนิสิตไปปฏิบัติศาสนกิจทั่วประเทศทั่วโลกตอนนี้ไปเพิ่งที่จบไปนี่ก็ไปอบรมเยาวชนภาคดร้อนบทเนียนภาคดร้อนเป็นต้น ข้อที่สองประสานสิบทิศเราไม่ได้อยู่เฉยๆนะวัดเนี่ยท่านจะต้องมีโครงการมีกิจกรรมว่าท่านจะทำอะไรเมื่อคิดโครงการคิดกิจกรรมเนี่ยมันจึงจะประสานขอความร่วมมือได้ถ้าเราไม่มีเรื่องที่จะทำใครเขาจะ เราจะไปอ่านอะไรให้คนเข้าวัดมาทำทำเพื่อวัดหรือทำเพื่อพัฒนาชุมชนได้ทานั้นเนี่ยเราจะทำวัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวก็ประสานกับภาคราชการกรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการใดๆก็ตามเอาประชาชนมาร่วม เอาพระเดนเป็นกำลังความสาเร็จของท่านเนี่ยมันเกิดจากท่านมีโครงการมีกิจกรรมถ้าอยู่เฉยๆท่านไม่มีเหตุจะอ้างให้คนมาร่วมงานร่วมกิจกรรมเอายุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์นี้ไปใช้ในทุกเรื่องสาเร็จในเรื่องสาูประการเรื่องสิ่งแวดล้อม เราก็ไปทําในเรื่องปกครองเรื่องการศึกษาเรื่องเผยแผ่เรื่องสาธารณสงเพราะให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมแต่ต้องคิดโครงการขึ้นมาถ้าไม่มไม่มีโครงการไม่มีกิจกรรมคนก็ไม่รู้ว่าจะมาช่วยพระคุณเจ้าในเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นความสำเร็จครั้งนี้เนี่ย มันเป็นบทเรียนที่ท่านจะขยายไปสร้างความสำเร็จในด้านอื่นต่อไปโดยขอให้คิดทำและอย่าทำเฉพาะในวันต้องประสานสิบทิศทั้งในคณะสงฆ์ทั้งนอกคณะสงฆ์ข้อที่สามผูกมิตรทั่วรา บังทีเขาไม่ได้มามีส่วนร่วมกับเราแต่เราก็อย่าไปทะเลาะกับใครใครมาที่วัดต้อนรับทางนั้นทำการปฏิสันฐานปฏิสันฐานคือการต้อนรับทำได้สองอย่างอามิสะปฏิสันฐานต้อนรับด้วยสิ่งของด้วยน้ำ ด้วยเครื่องลืมอาหารหรือของขวัญสองธรรมะปฏิสันฐานต้อนรับด้วยธรรมะให้ทติให้ข้อคิดพิมพ์หนังสือแจกหรือกระทั่งซีดีอะไรก็ต่างอย่างวันนี้ท่านกรมมาเยี่ยมมหาจุฬาในฐานะอธิการบดีก็ให้ธรรมะปฏิสันฐาน ต้อนรับท่านทั้งหลายที่กำลังพูดอยู่นี่แหละไม่ใช่ว่าใครจะมาใครจะไปจะเจ้าอาวาสไม่สนเราจะต้องตรหนักรู้ต้อนรับผูกมิตรไปเยี่ยมไปเ ย, ยนแม้แต่ต่างาศาสนาเราก็ต้องผูกมิตร ในชุมชนรอบๆมหาจุลาเนี่ยเป็นชุมชนมุสลิมก็มีมีมัสยิดอยู่ไม่ไกลตอนน้ำท่วมใหญ่ปีห้าสี่เราเปิดอาคารหอฉันเป็นที่ต้อนรับคนที่ถูกน้ำท่วมในเขตนี้อยู่กับเราสองเดือนห้าร้อยคน ข้างล่างมีแต่น้ำลึกไปสองเมตรโยมก็อยู่ปักหลักอย่างน้ำท่วมก็ไม่หนีไปไหนพระก็บินบาดเรียงอะไรนี่ตอนดีๆโยมใส่บาทพระตอนโยมเดือดร้อนพระใส่บาทโยมไม่ต้องไปไหนเลยเช้าก็พาทำวัดเชา้า สวดมนต์เย็นก็สวดมนต์เย็นทำวัดเยน็นพอครบสองเดือนโยมบอกตั้งแต่เกิดมาไม่เคยทำวัดเยอะขนาดนี้เลยสวดมนต์คล่องเลยนะในช่วงสวดมนต์มีคนไม่สวดมนต์อยู่สิบเจดคนเขามาบอกเองเขาเป็นมุสลิมตอนแรกก็ไม่รู้ท่าทีเราว่าจะเป็นมิตรแค่ไหนตอนหลังเราบอก เขาบอกบอกอีกแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกันผูกมิตรทั่วรลางบริหารปัญญาบริหารคือทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยคนอื่นไม่มีใครเก่งทุกเรื่องหรอกในงานหกด้านของพระสงฆ์ตั้งแต่ปกครองจนถึงศาสนาสมคราะ เมื่อเราประสานตกปลานอกบ้านประสานสิบทิศเอาคนเก่งมาช่วยคิดช่วยทําเอาญาติโยมมาช่วยปล่มต้นไม้เนี่ยมาช่วยกันวางแผนบริหารปัญญาหมายถึงจัดการความรู้ชาวบ้านเขาเรียกเคอ knowledge management เราเรียกบริหารปัญญาอย่างท่านทั้งหลายจะเทศเนี่ย งานนุ้ยจะเทศอะไรจะใช้บาลีอะไรเนี่ยเตรียมเองเนี่บางทีครึ่งเดือนยังไม่ได้แต่ถ้าไปหาหนังสือรวมเทศนาของผมก็มีนะพิมพ์ไปแล้วสองเล่มใหญ่ๆพระได้ไปบอกสบายมากเปิดจะเทศเรื่องอะไรก็เอาปัญญาของคนอื่นมาใช้ในการเทศถ้าเราจะทำวัด ให้สีเขียวหรือห้าสอหรืออะไรกันต่างเราไม่เชี่ยวชาญก็ผู้เชี่ยวชาญจะกลมไปสิทาไงมันจึงจะดีมากดีเยี่ยมไปดูวัดที่เขาได้สิไปดูงานมีเวลาก็ไปดูงานต่างประเทศก็ได้ที่ไต้หวันสำนักภิกษุณีได้ขนจิตอาสาทั่วไต้หวันและทั่วโลก จัด ก, การขยะในไต้หวันไม่เหลือสักอย่างรวยจากการแปลรูปรีไซเคิลขยะสร้างสถานีโทรทัศน์เป็นพันๆล้านเป็นสำนักฉุจี้ราชการไทยสำนักพุทธชอบพากันไปดูงานและยังไม่เห็นของเราทำแบบนั้นนะ มีจิตอาสาเก็บขยะคนแก่คนเฒ่าเนี่ยแล้วเอามารีไซเคิลขายสิ่งที่รีไซเคิลได้เงินมหาศาลนี่ก็คือบริหารปัญญาใช้ความรู้ประสบการณ์ที่วันอื่นที่ประเทศอื่นหรือในบ้านเราก็ตม่มทำสำเร็จแล้วเอามาทำ ข้อสุดท้ายสาริกาป้อนเหยื่อหมายถึงการคืนตอบแทนสังคมวัดวัดของเราได้รับการพัฒนางดงามไม่ใช่ให้พระอยู่เท่านั้นแต่ต้องเป็นการให้บริการให้ชาวบ้านได้มาใช้แล้วแต่ว่าญาติโยมจะมาใช้สถานที่วัดทำอะไรไม่ใช่เห็นหน้ากันทีตอนนานศพ ตอนแข็งแรงเราก็มีกิจการสอนปฏิบัติกรรมฐานทำอะไรต่อม น, นอะไรหรือเป็นสถานที่ฝึกอาชีพเวลาที่สร้างมหาจุฬาเนี่ยเป็นพันพันล้านที่นี่แม้จะเป็นเขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยกำกับของรัฐเป็นแบบราชการ แต่เราถือว่าเราสร้างมาเพราะประชาชนบริจาคเกินครึ่งเมื่อมาช่วยกันสร้างก็งมาช่วยกันใช้มาช่วยกันรักษามาช่วยกันพัฒนามันไม่ใช่ของอธิการบดีไม่ใช่ของเจ้าหน้าที่รูปใดรูปหนึ่งวัดก็เช่นกันเราช่วยกันพัฒนาช่วยกันดูแลรักษา ทำยังไงจะตอบสนองความต้องการของแต่ละกลุ่มแต่ละคนมาใช้ประโยชน์และเมื่อเขาใช้ประโยชน์เขาจะถนอมรักษาดูแลวัดของท่านมันจะทำให้การพัฒนาต่อเนื่องไม่ใช่เป็นไฟไม่ฝักและถ้าเราสามารถเอาทุกฝ่ายมามีส่วนร่วมเราจะไม่เหนื่อย จะไม่ทำคนเดียวไม่ใช่เหนื่อยแต่จเจ้าอาวาสสมพานเนะี่ยสะสมภาระหัวโตไม่ใช่สาริกาป้อนเหยื่อก็หมายถึงแม่นกเวลาจะป้อนเหยือ่อมันจะดูปากลูกนกทาอาหารให้เหมาะกับปากวัดจะป้อนเหยือ่อคือเขามาเพื่ออะไรเพื่อการช่วยเหลือสงเคราะห์เราให้สาธารณสงเคราะห์ อย่างที่เคยพูดถึงว่าน้ําท่วมเราแจกข้าวของเขามาเพื่อธรรมะเราแจกธรรมะเขามาเพื่อกรรมฐานเราสอนกรมมฐานเขาแค่มาใช้สถานที่จัดประชุมแจกรางวัลเราก็ให้สถานที่แจกรางวัลโดยอย่างนี้แหละเขาเรียกถ้าเป็นบริษัทเขาเรียกซีเอซา Corporate Social Responsibility คืนกำไรให้แก่สังคมมหาจุลามีนิสิต 24,000 รูปตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอกอยู่40จังหวัดหลายรูปก็เรียนอยู่เราจะสอนพระสงฆ์องค์นี้ที่มาเรียนให้รู้จักตอบแทนสังคมมีจิตอาสา เรียกว่าบริการวิชาการด้านพุทธศนาแก่สังคมหน้าที่มหาวิทยาลัยมันจะมีสี่อย่างผลิตบัณฑิตวิจัยบริการวิชาการแก่สังคมของเรานี่บริการวิชาการด้านพุทธศนาแก่สังคมและทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมปลายเดือนมีนานี่เราก็จัดวิสาขบาูชาโลกห้องประชุมนี้เลย ปีนี้นายยนตรีภ oh ูตานจะมาปาฐกถาแล้วก็ไปปิดกันที่ UN เอ c a p อสแคจุราอาสาจัดให้ชาวพุทนทั่วโลกมาประชุมกันก็โดยที่ให้ใช้ประโยชน์นั่นเองสร้างเอาไว้ทำอะไรห้องประชุมแต่ละวัดต้องตระหนักตรงนี้และคนที่มามีส่วนร่วมมาใช้ประโยชน์เขาจะรักษาวัดของท่าน เป็นปากเป็นเสียงในท่านฉะนั้นการที่เราได้การยกย่องในการคัดเลือกซึ่งรวมทั้งวัดและชุมชนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการที่จะเดินหน้าทำงานต่อไป จึงฝากนโยบายห้าข้อถวายท่านทั้งหลายตกปลานอกบ้านประสานสิทธิทิศผูกมิตรทั่วราบริหารปัญญาสาลิกาก้อนเหยียอบริหารปัญญาไม่ใช่ไปใช้ปัญญาพื้นฉะนั้นมีโอกาสเขาให้เจ้าวาดเรียนปบสเรียนถึงปัญญาตรีหลายรูปจบถึงปัญญาเอกครับ เอาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาวัดหาปัญญามาทางกรมเขามีโปรเจกต์โครงการดีๆอบรมที่ไหนส่งคนไปหรือไปศึกษาเองเราก็จะตื่นตัวและพัฒนาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้รับการคัดเลือก81วัดนี่ เราก็ตรวจสอบตนเองของเราได้เพราะอะไรแล้วทาต่อพัฒนาต่อให้คนมามีส่วนร่วมมากขึ้นจะได้ไม่เหนื่อยและไม่ใช่เฉพาะในด้านสิ่งแวดลอ้อมในทุกด้านนั้นงานมันก็จะเดินหน้าและก็จะสนุกเพราะว่ามันไม่มาสัสมภาระอยู่ที่รูปใดรูปหนึ่งก็ขอฝากทุกรูปไปเจลี่ยเท่านี้ในโอกาสนี้ขออนุมโมทนา ต่อทุกท่านและชื่นชมยินดีสแสดงความชื่นชมยินดีต่อวัดที่ไรแลกวันและขออำนาจเหคุณภาษีรัตนตรยัยและกุณสนความดีที่ท่านได้บำเพ็ญในพระศาสนาจงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นภารวะปัจจัยอันวยอวยพรให้ทุกรูปทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้อม มีท่นบดีเป็นต้นจงมีความเจริญงดงามไพเราะ ย, ยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยปราศ จ, จากทุกโศกโรค ภ, ภัยอุปทานต ร, รายทั้งปวงเจริญยิ่งขึ้นด้วยวรรณายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนสารสมบั ต, รรบติปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบดีธรรมก็ขอให้ความปรารถนาะนั้นจงผ่านสำเร็จจงผ่นสำเร็จจงผ่านสำเร็จ สมโนรถพงมารปรารถนาทุกประการตลอดกาลละนานเทอน